15, สิ้าพรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพญานาสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกความเพียรในเทวสุราสงครามครั้งหนึ่งเท้าสักกะตรัดอบรมสวีระเทวบุตร ซึ่งรับเทวองค์การให้ยกไปรบอสุระแล้วประมาทละเลยเสียถึงสามครั้งว่าผู้ที่ไม่มีความภาคเพียรพยายามจะบรรลุถึงความสุขได้ในที่ใดก็ขอให้ไปในที่นั้งเถิดและช่วยบอกให้พระองค์ไปในที่นั้นด้วยสวีระเทวบุตรกราบทูลว่าผู้ที่เกียรตคร้านไม่ขยันมันเพียรไม่ทำกิจที่ควรทำแต่ก็ได้รับความสาเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาขอประทานพร อ, อย่างนี้แก่ตนเทา้าสกกะตอบว่า คนเกียรติครานบรรลุถึงความสุขอย่างยิ่งในที่ใดก็ให้สุวีละเทวบุตรไปในที่นั้นเองและช่วยบอกให้พระองค์ได้ไปในที่นั้นด้วยสุวีละเทวบุตรก็ยังกราบทูลขอประธานพรเพื่อให้ได้รับความสุขนิที่ไม่มีทุกโศกโดยไม่ต้องทําอะไรฝ่ายเท้าสักกะตรัสว่าถ้าจะมีใครดํารงชีวิตอยู่โดยไม่ต้องทําอะไรในทิศทางไหนนั่นเป็นทางนิพพานแน่ให้สุวีระเทวบุตรไป และช่วยบอกพระองค์ให้ไปด้วยอี ก, กเรื่องหนึ่งเท้าสักกะทรงอบรมสุริมาทเทวบุตรเพราะปารบเหตุเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าได้ทรงเล่าเรื่องเท้าสักกะเป็นอดีตนิทานสาธกยกขึ้นเตือนภิกษุทั้งหลายว่าบวชแล้วก็ภาคเพีนพยายามเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุทาให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ทาให้แจ้งถึงในสงครามระหว่างเทพและอสุร ครั้งหนึ่งมูฤษีผู้มีศีลในกรรยานธรรมคิดเห็นว่าพวกเทพตั้งอยู่ในธรรมส่วนพวกอสูรไม่ตั้งอยู่ในธรรมจะพึงมีภัยจากอสุระจึงพากันไปหาสัมพร อ, อสุรินขออภัยทักษินาทานหรืออภัยทานฝ่ายสัมพร อ, อสุรินได้กล่าวว่าไม่ให้อภัยแก่พวกฤๅษีชั่วร้ายซึ่งคบเท้าสักกะพากันมาขอภัยก็ดีแล้วจะให้ภัยแก่ฤๅษีพวกนี้สักทีพู้ฤๅษี ได้กล่าวสาบสัมพารอสุรินว่าภัยจงมีแก่ผู้ให้ไพหวานพืชเช่นใดก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วหวานพืชแล้วก็จะสวยผลของพืชที่หวานเองในราตรีนั้นสัมภารอสุรินนอนผวาตื่นสะดุ้งวาดเสียวขึ้นสามครั้งพระอาจารย์กล่าวอธิบายว่าเพราะเหตุที่ถูกสาบจนนอนสะดุง้งดังนั้นจึงได้ชื่อว่าเวปจิติสืบมา ในบางคราวทั้งสองฝ่ายก็สงบสงครามกันและไปด้วยกันแต่ก็ยังคงมีความคิดเห็นและความประพฤติต่างกันครั้งหนึ่งเท้าสักกะทรงดำริว่าไม่ควรประทุษร้ายศัตรูเวปจิตติอสุรินทราบพระดำรินั้นด้วยใจจึงเข้าไปหาเท้าสักกะณที่ประทับเท้าสักกะทอดพระเนตรเห็นแต่ไกลตรัสสั่งให้เวปจิตติอสุรินหยุดตรัสว่าทรงจับได้ว่ารอบเข้ามาแล้ว เวปจิติอสุรินจึงถามว่าเท้าสักกะทรงลักความคิดเดิมว่าจะไม่ทำร้ายศัตรูเสือหรือท้าสั ก, กะตรัสให้เวปจิติอสุรินสะบทก่อนว่าจะไม่ทำร้ายาวกกเวปจิติอสุรินจึงสบทว่าบาปของผู้กล่าวเท็จบาปของผู้กล่าวร้ายพระอริยเจ้าบาปของผู้ปทุสร้ายมิตรบาปของผู้อกตันอยู่ขอให้บาปนังทั้งหมดจงตกต้องผู้ปทุสร้ายต่อเทา้าส ก, กะในบางครั้ง ท้าสักกะและเวโรตอสุรินไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยกันในวิหารสำหรับประทับพักกลางวันต่างยืนพิงพาหาประตูองค์ละข้างทั้งสองตั้งได้กล่าวภาสิตถวายพระพุทธเจ้าสรรเสริญความเพียรพยายามจนกว่าจะสําเร็จประโยชน์แต่คําของพระอินทร์กล่าวแกมสรรเสริญขันติครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในวิหารสำหรับประทับพักกลางวันท้าสักกะและสหมบดีพรมเข้าไปเฝ้า ยืนพิงพาหาประตูองค์ละข้างท้าสักกะกราบทูลขอให้ทรงหมั่นจาริกเที่ยวไปในโลกเพราะทรงมีจิตวิมุตติดีแล้วเหมือนดวงจันทร์วันสิบห้าค่ำส่วนสห ม, มดีพรมกราบทูลขอให้ทรงหมั่นจาริกเที่ยวไปแสดงธรรมในโลกเพราะผู้รู้ธรรมจักมีในบางครั้งท้าสักกะและเวปจิตติอสุรินทไปหาฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมด้วยกัน วเวทย์ปฏิติอสุรินสวมรองเท้าคาดขันกั้นร่มเข้าสู่อาสมทางย่อประตูดินเชียดมูรุสีโดยไม่เคารพฝ่ายเท้าสักกะทอดฉลองพระบาทประธานพระขันแก่เทพอื่นลดฉัดเข้าไปสู่อาสมทางประตูยืนประคองอัญชลีไปทางมูรุษีในที่ใต้ลมมูรุสีได้ขอให้เท้าสักกะถอยออกไปจากทิศทางที่ลมจะโชยกลิ่นกายของผู้รุษีไปเท้าสักกะตรัสว่า ทรงประสง์กลิ่นที่ลมโชยไปจากกายของฤาษีเหมือนอย่างทรงประสง์มาลาดอกไม้งามบนศีรษะพวกเทพไม่เห็นว่าปฏิกูลในกลิ่นกายฤาษีครั้งหนึ่งเวปจิติอสุรินป่วยหนะักเท้าสักกะเสด็จไปเยี่ยมถามอาการไข้เวปจิติอสุรินขอให้ท้าสักกะทรงช่วยเยียวยารักษาฝ่ายเท้าสักกะก็ทรงขอให้เวปจิติอสุรินบอกสัมภริมายาหรือมายามน์ชื่อว่าสัมภริเป็นมายามน์ของอสุรกรรมัง เท้าวเวทปฏิติอสุรินขออนุญาตผู้อสุระแต่ผู้อสุระห้ามไม่ให้บอกเวทปฏิจติอสุรินจึงกล่าวพระุษวาาให้เทา้าสักกะไปนรกยังมีเรื่องเบ็ดเล็ดเช่นครั้งหนึ่งท้าวสักกะเตรีทรงเทพประเสะเด็จท่าประเนตอุทยานเมื่อสเสด็จลงจากเวทยันปราสาสรงประคองอัญชลีนอบน้อมไปในทิศ ท, ทั้งปวงเมื่อพระมาตรีเทพสารถีทูลถามตรัสตอบว่า ทรงนอบน้อมบันระชิดผู้มีมศีลบริสุทธิ์มีจิตตั้งมั่นประพฤติพรหมจรรย์และทรงนอบน้อมเครือขัสที่ทำบุญมีศีลเลี้ยงดูพัญญาโดยธรรมบางครั้งเมื่อเสด็จลงจากเวทย์ยันปร า, ารสาททรงนมสัส ก, การพระพุทธเจ้าบางครั้งทรงนมสัส ก, การพระสงฆ์ความไม่โกรธเรื่องเกี่ยวกับความไม่โกรธได้มีเล่าไว้หลายเรื่องเช่นครั้งหนึ่งท้าวสักกะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า กราบทูลถามว่าข้าอะไรได้อยู่เป็นสุขข้าอะไรได้ไม่โศกพระองค์โปรดให้ข้าอะไรเพียงข้อเดียวตรัสตอบว่าข้าความโกรธครั้งหนึ่งมียักษ์ตนหนึ่งผิวพันธ์เศร้าหมองรูปร่างหน้าเกลียดขึ้นไปนั่งบนอาสนะของเท้าสักกะพวกเทพชั้นดาวดึงพากันพนทนาติเตียนแต่ยิ่งพนทนาติเตียนยักษ์นั้นก็ยิ่งงามยิ่งทองใส จนพวกเทพพากันประหลาดใจว่าจะเป็นยักษ์กินโกรธเท้าสั ก, กะทรงทราบแล้วได้เสด็จเข้าไปทรงทรผ้าเฉวียงพระอังสะข้างซ้ายทรงคุกพระชานุมนทนเบื้องขวาลงบนพื้นดินคือพรมชานุกะคุกเข่าท่าพรมทรงประคองอัญชลีเหนือพระเศียรประกาศพระนามของพระองค์ขึ้นสามครั้งว่าพระองค์คือทา้าสกะจอมเทพยักษ์นั้นก็มีผิวพันธ์เศร้าหมอง รูปร่างหน้าครีดดิ้นขึ้นจนหายไปในณัดที่นั้นท้าส ก, กัดขึ้นประทับบนอาสนะของพระองค์แล้วตรัสอบรมพวกเทพสาทุกพระองค์เองว่าพระองค์ไม่ทรงโกรธมาช้านานความโกรธไม่ติดตั้งในพระองค์แม้จะโกรธชั่ววูบเดียวก็ไม่กล่าวพุทสวาดวาจาพระองค์ทรงข่มตนได้ครั้งหนึ่งท้าส ก, กัดได้กล่าวอบรมเทพชั้นดาวดิ่งว่าให้มีอำนาจเหนือความโกรธอย่าจืดจางในมิตร อย่าตำหนิผู้ที่ไม่ควรตำหนิอย่ากล่าวซอเสียดความโกรธทับบทคนบาปเหมือนภูเขาอีกครั้งหนึ่งเท้าสักกะได้ตรัสอบรมพวกเทพชั้นดาวดิ่งว่าอย่าให้ความโกรธครอบงำอย่าให้โกรธต่อผู้โกรธความไม่โกรธและความไม่เบียดเบียนมีอยู่ในพระอริยะทั้งหลายทุกเมื่อส่วนความโกรธทับบทคนบาปเหมือนภูเขาอดีตชาติของเทวดายังมีเรื่องที่เกี่ยวกับพระอินท์ ที่น่านำมาเล่ารวมไว้ด้วยเรื่องแรกเล่าไว้ในสักกะสังยุตและในบาลีอุทานมีเขาเป็นเรื่องเดียวกันจะเก็บเรื่องในบาลีอุทานมาเล่าก่อนมีความย่อว่าสมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระเวรุวันใกล้กรุงราชคฤิสมีชายคนหนึ่งเป็นโรคเรื้อนเป็นคนยากจนแร้นแค้นแสนเข็นชื่อว่าสุปปพุทธชื่อนี้ก็ฟังดีอยู่แปลว่าตื่นแล้วด้วยดี แต่อัธกถาไขาความว่าในคราวที่กําลังเป็นโรคเรื้อนอย่างแรงจนถึงเนื้อหลุดนอนร้องครวนคลางอยู่ตามถนนตลอดคืนทําให้คนไม่เป็นอันหลับอันนอนเสียงร้องครวนครางนั้นปลุกให้คนตื่นอยู่ไม่ได้หลับสบายจึงได้ชื่ออย่างนั้นในความหมายว่าปลุกคนอื่นให้ตื่นจากการหลับสบายวันหนึ่งพระพูทมีพระภาคเจ้าประทับนั่งแสดงธรรมแก่หมู่ชนกลุ่มใหม่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 ทรงทราบด้วยพระยานว่าชายโรคเรือนผู้นี้เป็นพระบุคคลคือผู้ที่สมควรจะรู้ธรรมได้จึงทรงมุ่งสุปปุทธตชายโรคเรือนทรงแสดงอนุปุพภ พ, พิกถาต่อด้วยอริยสัพสจบแล้วสุปปุทธตได้ดวงตาเห็นธรรมกราบทูลสารเสริญพระธรรมและแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระพิสุสงเป็นสรณนตลอดชีวิต ได้ถวายอภิวาททำบทักษิณคือเวียนขวาหลีกออกไปสุปพุทธะออกไปไม่นานนักก็ถูกแม่โคลูกอ่อนขิดตายพูพิกษุได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถามคติเบื้องหน้าของสุปพุทธะตรัสตอบว่าสุปพุทธะเป็นโสดาบันมีสัมโพธิคือความตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลถามอีกว่า เหตุใดสุภพุท ธ, ธจึงเป็นคนยากจนร้านแค้นแสนเข็นตรัสตอบว่าสุภพุท ธ, ธได้เคยเป็นลูกเศรษฐีในกรุงราชยฤคด น, นี้วันหนึ่งออกไปชมสวนได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าตักรสศิขีเดินบินทบาทอยู่ในนครได้เกิดความหมิ่นขึ้นว่าคนขี่เรือนนี้เป็นใครเที่ยวเพ่นพ่านอยู่ได้ถมน้ำลายเดินลีกหันซ้าให้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าไปซึ่งเป็นการจงใจแสดงกิริยาห ม, มิ่นไม่เคารพ ซึ่งเป็นธรรมเนียมว่าทำประทักษิณเป็นกริยาเคารพคือเว้นขวาในโอกาสที่ลากลับหรือให้เบื้องขวาของตนในโอกาสที่เดินหลีกกันคือตอนเองถือเอาทางซ้ายให้ทางขวาแก่ท่านที่เคารพแต่ถ้าตนเองถือเอาทางขวามือของตนให้ทางซ้ายมือของตนแก่ท่านก็เป็นกริยาหมิ่นไม่เคารพ บ, บาลีว่าอัปพยามโตกริตวะสุภพุทธะไม่อยู่ในนิริยชานาน เพราะวิบากที่เหลืออยู่ของกรรมนั้นจึงได้เป็นมนุษย์ยากจนแร้นแค้นแสนเข็ญในกรุงราชคฤิต์นี้สุภาพุทธะอาศัยธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศมีศรัทธาสมาทานศีล ส, สุตะจาคะปัญญาแล้วจึงไปเกิดเป็นสหายของเทพชั้นดาวดิงรุ่งเรืองด้วยวันณะยศ ย, ยิ่งกว่าเทพอื่นๆในดาวดิ่งนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงเป่งพระอุทานนี้ในเวลานั้นมีความว่า บัณดิตมีความเพียรบากบัน่นก็ควรเว้นบาปทั้งหลายในชีวโลกเสียเหมือนคนมีจักษุเว้นทางที่ครุขระเสียะนั้นในสักกะสั่งยุต์เล่าต่อไปในภาคสวรรค์แต่ไม่ได้ระบุชื่อว่าได้เคยมีบุรุษผู้หนึ่งในกรุงราชคฤิตนี้เป็นมนุษย์ยากจนร้นแค้นแสนเข็นได้มีศรัทธาศีลเป็นต้นตายแล้วบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดิง่งรุ่งเรืองยิ่งกว่าเทพอื่น เหมือนังกล่าวไว้ในบาลีอุทานนั้นฝ่ายเทพชั้นดาวดึงก็พากันพูดค่อนขอดแค่ว่าลำเลิกภาวะเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ยากจนแต่มาเกิดเป็นเทพรุ่งเรืองเกินเทพอื่นๆเท้าสักกาเทวราชในทรงเรียกเทพชั้นดาวดึงมาทรงชี้แจงว่าจะได้ค่อนขอดเทวบุรนี้เลยเพราะเมื่อเธอเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้สร้างสมศรีล ส, ส, สุตะจาระปัญญา ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตพระพุทธเจ้าประกาศแล้วจึงมาเกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นสหายของทวยเทพชั้นดาวดึง่งรุ่งเรืองได้วันนะและยดยิ่งกว่าเทพอื่นๆเท้าสักกาเทวราชได้ตรัส ร, รมภาษิตอบรมเทพชั้นดาวดึงต่อไปว่าผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นดีไม่หวั่นไหวในพระตถาคตเจ้ามีศีลงดงามซึ่งพระอริยเจ้าประสงค์ยกย่อง มีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีทัศนคือความเห็นที่ตรงหมู่บัณฑิตเรียกผู้นั้นว่าไม่ยากจนชีวิตของผู้นั้นไม่ปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นผู้ทรงปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุท ธ, ธทั้งหลายก็ควรหมั่นประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสความเห็นธรรมกันเถิดในอัตถกถาแห่งสั่งยุตนี้เล่าอดีตชาติของเทวบุตรนั้น ก่อนต่มาเกิดเป็นเทวบุตรว่าเป็นคนเข็นใจชื่อว่าสุ ป, ปพุทธะดำเนินเนื้อเรื่องเหมือนในบาลีอุทานแต่เล่าแปรไปว่าชาวเมืองสร้างบรรดบใหญ่ในที่กรางนครนิมน์พระสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปเสวยและได้ให้อาหารแก่สุ ป, ปพุทธะบริโภคจนหายหิวโหวยอิ่มหนำสำราญรวมจิตแน่วแน่ได้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงอริยสัจ อนุโมทนาพัตฐ า, านของชาวเมืองครั้งนั้นสุพพุทธะฟังแล้วได้โสดาปติผลและได้เล่าบุพกรรมของสุพพุทธะผิดไปจากบาลีอุทานว่าเมื่อครั้งเป็นราชาครองกรุงพราณสีแห่งกาศิกรัฐเสด็จเลียด ร, รมปทักษินพระนครทรงประมาทหมินพระปัจเจกพุทธเจ้าคล้ายกับที่เล่าในบาลีอุทานแต่ในบาลีอุทานว่าเป็นบุตรเศรษฐีในอัตถกถาอุทานเล่าเรื่องพิสดารออกไปอีกว่า เมื่อสุปพุทธะฟั่งเทศจบได้บรรลุคุณพิเศษแล้วประธนาจะกราบทูลแด่พระศ า, ศาสดาแต่ก็ไม่อาจจะฝ่าฝูงชนเข้าไปได้ครั้นมหาชนพากันตามส่งเสด็จพระศาสดากลับไปวัดแล้วก็ได้ตรงไปวัดในขณะนั้นเท้าสกกะเทวราชสงรารสงใครียจะทดลองสอบสวนจึงเสด็จไปปรากฏพระองค์ในอากาศตรัสว่าสุภพุทธะเป็นคนยากจนร้นแค้นแสนเข็ญ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 ไม่มีละอายซึ่งมากล่าวคำที่ไม่ควรกล่าวอย่างนี้ไม่ใช่ผู้ที่ควรจะกล่าวกับตนเหตุไฉนท่านเท้าสักกะจึงกล่าวว่าตนเป็นทุกขตะเข็นใจไรมิตรญาติก็ตนเป็นบุตรโอรสพระพุทธเจ้าผู้เป็นนาถะของโลกจึงไม่เป็นทุกขตะเข็นใจไรมิตรญาติโดยที่แท้ตนบรรลุความสุขอย่างยิ่งแล้วทั้งตนเป็นคนมั่งมีทรัพย์มากยกพระพุทธภาษิตขึ้นกล่าวว่าทรัพย์คือศรัทธาซั์คือศีล ซัพ์คือฮิริคือความละอายหรือรังเกียจบาปซัพ์คือโอตัปปะคือความเกรงกลัวบาปซัพ์คือสุตะคือสดับศึกษาซัพ์คือจาคะคือการสละซัพ์คือปัญญาเป็นที่ครบเจ็ดซับเหล่านี้มีแก่ผู้ใดเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าผู้นั้นไม่ยากจนชีวิตของผู้นั้นไม่เป็นโมฆะหรือปราประโยชน์เท้าสักกะล่วงหน้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า กราบทูลคําที่โต้อตอบกันทั้งหมดพระพุทธเจ้าตรัสว่าเท้าสักกะตั้งร้อยตั้งพันองค์ก็ไม่อาจจะทําสุปาพุทธให้พูดปฏิเสธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ฝ่ายสุปาพุทธไปถึงวิหารแล้วเข้าไปเฝ้าพระาศาสดากราบทูลคุณวิเศษที่ตนได้บรรลุออกจากที่เฝ้ากลับไปก็ถูกแม่โควิดสิ้นชีวิตเรื่องพระอินทมาทดลองน้ําใจนี้ให้กติว่าผู้ที่เห็นธรรมในพระพุทธศาสนาแล้ว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 ซึ่งทรงเป็นผู้คนพบและได้ประธานไว้แก่โลกฉะนั้นจึงไม่ใช่วิสัยของผู้เห็นธรรมจะปฏิเสธพระรัตนตรัยได้เลยใครๆก็ไม่อาจจะมาเปลี่ยนใจให้ออกห่างไปจากพระรัตนตรัยได้ถึงแม้จะยากจนที่สุดและมีผู้นำทรัพย์มาไปท่วนมาล่อดังเรื่องสุปปพุท ธ, ธนี้พระเจ้ามันธตุราชคำว่าสก a b เป็นต้นที่เรียกกันเป็นพื้นว่าพระอินนั้นเป็นชื่อตำแหน่งของเทวราช ผู้ครองสวรรค์ชั้นดาวดิ้งซึ่งองค์หนึ่งจุดดีไปแล้วก็มีอีกองค์หนึ่งเกิดขึ้นมาแทนสืบต่อกันไปดังนี้ไม่ขาดสายดังนี้เรื่องเล่าในมันทัตุราชชาดกว่าในครั้งปฐมมากันมื่อมนุษย์มีอายุยื น, านนานนับไปถ่วนหรืออสงไขยพระเจ้ามันธาตซึ่งสืบต่อพระวงศ์ตรงมาจากพระเจ้ามหาสมมติราชผู้เป็นพระราชาองค์แรกของโลกในเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิครองโลกนับเป็นองค์ที่แป พระเจ้ามันธาตุมีฤทธานุภาพมากครองโลกมนุษย์อยู่นานจนเบื่อแล้วก็เกิดขึ้นไปครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชท้ามหาราชทั้งสี่องค์ก็ต้อนรับยอมให้ครอบครองพระเจ้ามันธาตุครองสวรรค์ชั้นแรกนี้นานเข้าก็เบื่ออีกจึงขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดึงท้าวสักกะก็ทรงต้อนรับแบ่งดาวดึงให้ครองกึ่งหนึ่งพระเจ้ามันธาตุครอบครองดาวดึงอยู่นานท้าวสักกะจุติไปและเกิดขึ้นใหม่องค์แล้วองค์เล่า ถึง36องค์ก็เกิดบื่อที่จะครองเพียงกึ่งเดียวจึงคิดปรงมชนเท้าสักกะเพื่อจะครองสวรรค์ชั้นดาวดึงทั้งหมดแต่ธรรมดาว่าท้าสักกะไม่มีใครจะปรองพระชนได้ความคิดปรารถนาของพระเจ้ามันทาตเป็นตันหาคือความทยานอยากดิ้นรนเป็นมูลเหตุวิบัติทําให้อายุสัน้นทําให้แก่แต่เป็นธรรมดาว่าสรีระมนุษย์ไม่แตกทําลายในเทวโลกคือไม่ตายทิ้งซากไว้บนสวรรค์ พระเจ้ามันทาตจึงตกจากสวรรค์ลงมาปฐมเป็นวารสุดท้ายในพระราชอุทยานเมื่อราชตรกูลได้ทราบพากันมาเฝ้าแวดล้อมมีรับสั่งให้ประกาศแก่มหาชนว่าพระองค์คือมันทาตมหาราชพระจักรพรรดิของโลกพระราชาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาพระราชาในเทวโลกชั้นดาวดิง่งครองสวรรค์ฉ น, นั้นอยู่สากชั่วอายุท้าส ก, กะก็ทาตันหาให้เต็มไม่ได้ ต้องตกลงมาจากสวรรค์สิ้นพระชนครั้นรับสั่งไว้ให้ประรากาศดังนี้แล้วก็สิ้นพระชนไปตามกรรมชาดกเรื่องนี้ท่านล่าไว้เพื่อแสดงโทษของตันหาว่าไม่มีใครทําให้อิ่มให้เต็มได้เหมือนอย่างมหาสมุทรไม่มีอิ่มน้ําไฟไม่มีอิ่มเชื้อเมื่อทัานเล่าชาดกนี้แล้วก็จะแสดงเป็นพระพุทธภาเสร็จความว่าจันทร์และอาทิตย์ทรงสว่างไปตลอดทิศเพียงใด มูสัตว์ที่อาศัยแผ่นดินตลอดทิศผินนั้นล้วนเป็นค่าแผ่นดินของพระเจ้ามันทาตทั้งหมดพระองค์มีบุญญาณุภาพปรบพระหัตให้ฝนกหาปณ ะ, ะตกลงได้ความอิ่มในกามทั้งหลายด้วยฝนแห่งกหาปณ ะ, ะย่อมไม่มีจึงทยานขึ้นไปครองสวรรค์สองชั้นเมื่อคิดทยานเกินวิสัยขึ้นไปอีกจึงร่วงลงมาบัณฑิตรู้อย่างนี้ว่ากามทั้งหลายมีความน่ายินดีน้อยมีทุกข์มาก จึงไม่ติดใจ ย, ยินดีในการทั้งหลายแม้ที่เป็นทิพย์สาวกของพระสัมมาสัมพุท ธ, ธะย่อมยินดีในธรรมเป็นที่สิ้นตัญหานอกจากได้กติธรรมดททังกล่าวยังได้กติความเชื่อว่าคําว่าสักกะเป็นตําแหน่งผู้ครองสวรรค์ชั้นนี้ทุกกาลสมัยใครมีบุญขึ้นไปครองก็เรียกว่าสักกะทุกองค์ตั้งแต่ปฐมมกันของโลกก็เรียกอย่างนี้ส่วนท้าสักกะที่กล่าวถึงว่าเสด็จมาเกี่ยวข้องกับพระเดเจ้าของเราทั้งหลาย